เมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่มีความเพ่งพินิษเมื่อไม่มีความเพ่งพินิษก็ไม่มีปัญญาผู้ใดมีทั้งความเพ่งพินิษ์และปัญญาผู้นั้นนับว่าอยู่ใกล้นิพพานพุทธวัจนะ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 ใจเราก็พลอยเป็นปกติไปด้วยเพราะทุกครั้งที่เรามีสติมีความรู้สึกตัวจิตเราเนี่ยก็ต้องมีสมาธิเข้าร่วมด้วยนะสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยที่ไม่เข้าไปพัวพันกับอารมณ์หล่านั้นจิตตั้งมั่นดูอยู่รู้อยู่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 ไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นทำให้เราเกิดปัญญารู้เท่าทันากายใจเรานี่ในภาษาธรรมก็เรียกว่ารูปนามเนี่ยจะเห็นรูปเห็นนามนะการเจริญสติเนี่ยก็เพื่อให้เห็นรูปเห็นนามนี่คือเห็นความจริงที่เเรียกว่าปรมัตรธรรมนะเห็นความจริงของตัวเร า, าเป็นเพียงรูปนามชีวิตนี้มีแต่รูปนามเท่านั้นศัแต่ว่ารูปศัแต่ว่านาม กายที่เคลื่อนไหวนี่เป็นรูปจิต ท, ที่มันรู้สึกดูอยู่เห็นอยู่นี่เป็นนามหรือความคิดนึกต่างๆนี่ก็เป็นนามนี่มีตัวเราหรอกมันจะถอนสักกายะทิฐิที่เห็นว่ากายใจในี้เป็นตัวเราเป็นเพียงแค่รูปนามเท่ากับเราไม่มีตัวไม่มีตนแล้วนะเนี่ยเป็นเพียงรูปนามที่ก็ทำหน้าที่กันอยู่ เมื่อเราเริญสติแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นรูปนามถ้าก็ว่าเราได้หลักของการปฏิบัติแล้วถ้าได้หลักนี่มันก็ไม่ล้มมาละใหม่ๆเราปฏิบัติอาจจะล้มลุกลุกคลานคิดบั่งเครียดบั่งเบื่อมั่งอะไรมั่งนี่นะอันนี้เราไม่ได้หลักนะจะล้มลุกลุกคลานแต่พอเราเห็นรูปเห็นนามแล้วก็มีที่เกาะแล้ว เราเดสะานไปไหนถ้ามีลาวจับแล้วก็กมั่นคงเมื่อมีรูปมีนามเห็นรูปเห็นนามแล้วก็การปฏิบัติก็จะได้หลักเป็นวิปัสสนาแล้คือการดูรูปดูนามดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าอ๋อรูปนามนี่จะแสดงความจริงออกมาให้เราเห็นหลายๆอย่างเป็นความไม่เที่ยงมั่งเป็นทุกข์บ้างบังคับบัญชาไม่ได้บ้าเราจะเกิดปัญญาที่รูปที่นามในตัวเรานี่แหละเห็นทุกของรูป เนทุกข์ของนามทุกข์ของรูปก็คือความเจ็บไข้เด่วยความปวดความเมื่อยความหิวนี่แหละทุกข์ของรูปเราเห็นนะแต่ไม่ได้เข้าไปเป็นเขาแล้วก็แก้ไขไปด้วยสติแล้วต่อไปเราจะเห็นทุกข์กของนามทุกข์ของนามนี่ก็คือความคิดความคิดทําให้จิตเป็นทุกข์จิตโดยเป็นปกติเขาก็ทุกข์อยู่แล้วแต่พอมันเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยจิตก็จะเป็นทุกข์ขึ้น คิดรักิดโกรธคิดกลัวอิจาลิสยาหวาดระแวงที่ตกกังวลต่างๆอันนี้เป็นภาวะที่ทาให้จิตเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยทุกข์ของนามเห็นรูปเห็นนามนะแล้วก็ดูรูปดูนามเรื่อยๆเนี่ยเราจะเกิดปัญญาสติดูรูปเท่ากับเอาจิตเอานามดูรูปสติ ดูจิตก็คือสติดูความคิดเอานามดูนามเรื่องของจิตใ น, นเรื่องของนามเหนกันเราก็จะไปเห็นความคิดทำทั้งหลายเนี่ยสรุปลงที่จิตลงที่ความคิดเราอาจจะมีสติดูรูปมาเรื่อยๆดูนามมาเรื่อยๆนี่จะสรุปโดยสั้นๆคือการมีสติดูจิตหรือเอาจิตดูจิตหรืออานามดูนามเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะต้องปฏิบัติกันเพราะว่า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 ทำทั้งหลายจึงสรุปลงที่จิตมีจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานสำเร็จแล้วที่จิตเพรา ะ, ะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเริ่มต้นจากการรู้กายหรือรู้อะไรก็ตามจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเนี่ยแล้วก็สรุปลงที่จิตใจทังนั้นมาดูที่จิตใจดังนั้นเราจึงจะพ้นทุกข์ได้ เพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือธรรมะที่แท้จริงนั้นก็คือที่จิตใจ